บางเคยรู้สึกแบบอยากหนีไปหาที่สงบสง บ, สงบจริงๆไหมคะลองนึกภาพนะคะนอนแช่น้ำอุ่นๆกลางทุ่งโล่งๆเที่ยงกฤษมองขึ้นไปบนฟ้าเห็นดาวเต็งไปหมดเลยเนี่ยลคะค่ะเขาเรียกว่าการอาบดาวหรือ star bathing เป็นเทรนด์สุขภาพใหม่ที่กำลังมาแรงเลยคะ่ะอ่าใช่เลยครับไม่ใช่แค่แบบส่องกล้องดูดาวศึกษากลุ่มดาวนะแต่เป็นการแบบปล่อยใจเราไปกับท้องฟ้ากลางคืนจริงๆใช่ครับใช่ครับ หัวใจหลักของมันเลยคือการกระตุ้นความรู้สึกที่เรียกว่าความยำเกรงหรืออนะครับความยำเกรงครับซึ่งมีงานวิจัยรองรับเยอะเลยนะครับว่ามันเหมือนเราได้กดปุ่มรีเซทให้สมองเลยคือมันช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจได้เพิ่มอโอโซทซินอ๋อฮอร์โมนถึงความสุขใช่ครับแล้วก็ช่วยลดการอักเสบในร่างกายแล้วที่สําคัญคือมันช่วยเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อปัญหาหรือความกังวลต่า ง, างๆได้แบบทันทีเลยครับเช่นแซงชรีที่อังกฤษนะคะครับ ที่นั่นเป็นเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดใช่ค่ะเขาเล่าว่าตอนนั้นกําลังแบบวิตกกังวลหนักมากก็เลยหวังว่าธรรมชาติจะช่วยเยียวยาได้แล้วมันได้ผลจริงเหรอคะการเชื่อมต่อกับท้องฟ้าตอนกลางคืนเนี่ยอืมเป็นคําถามที่ดีครับคือจริงๆเรื่องนี้เพิ่งจะเริ่มมีการศึกษาแบบจริงๆเมื่อไม่นานมานี้นะครับเขามีการพัฒนาตัวชี้วัดขึ้นมาเลยเรียกว่า night sky connectedness index ค่ะผลมันค่อนข้างชัดเจนเลยครับว่า ยี่คนเรารู้สึกผูกพันหรือเชื่อมโยงกับท้องฟ้าตอนกลางคืนมากเท่าไหร่เนี่ยสุขภาพจิตโดยรวมความรู้สึกเป็นสุขต่างๆมันก็จะดีขึ้นตามไปด้วยอื มันไม่ใช่แค่ความรู้สึกคิดไปเองนะครับแต่มีข้อมูลมายืนยันที่บเบาตันนั่นผู้เขียนเขาก็เล่าเพิ่มนะคะว่าได้ลองส่องกล้องดูดาวสุกเห็นเป็นเสี้ยวเหมือนดวงจันทร์เลยครับผมหรือดาวพิหัสก็เห็นดวงจันทร์บริวารสี่ดวงชัดๆเลยค่ะคือมันทำให้รู้สึกโอ้โหตัวเราเล็กนิดเบียวแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆใช่ครับตรงนี้นะครับคือผลกระทบทางจิตวิทยาที่สาคัญมากเราเขายังบอกว่า มันทําให้รู้สึกเชื่อมโยงกับคนอื่นๆในกลุ่มที่ไปด้วยกันแล้วก็เอ่อเหมือนเชื่อมโยงไปถึงบรรพบุรุษด้วยนะคะเพราะเราก็มองฟ้าผืนเดียวกันกับที่เขาเคยมองครับครับอันนี้ตรงกับที่คุณมาร์คเวสสโมเควนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์แล้วก็เป็นครูสอนสมาธิด้วยเขาบอกไว้เลยครับความรู้สึกยําเกรงเนี่ยมันเปลี่ยนมุมมองว่าเราคือใครในจั ก, กรวาล น, นี้ไปเลยอืมมันไม่ใช่แค่เรื่องผ่อนคลายเฉยๆนะครับแต่มันเป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติเลยทีเดียว และตอนนี้ก็มีงานวิจัยอย่างของ Office of Astronomy for Development ที่เขากำลังศึกษาศักยภาพของดาราศาสตร์ว่าจะช่วยเรื่องสุขภาพจิตของกลุ่มคนที่เปราะบางได้ยังไงบ้างแสดงว่าแนวคิดนี้มันไม่ใช่แค่ที่อังกฤษที่เดียวนะคะเหมือนเป็นความต้องการที่คนทั่วโลกกำลังมองหาอยู่ถูกต้องครับมันกระจายไปทั่วโลกเลย อย่างที่ Bless and Stars ในแอฟริกาใต้อันนั้นก็เป็น retreat ที่อยู่ในที่ห่างไกลมากๆก็มีเรื่องเล่าของผู้เข้าร่วมหลายคนเลยนะครับที่บอกว่าประสบการณ์ดูดาวที่นั่นแบบว่าเปลี่ยนชีวิตช่วยให้ก้าวข้ามเรื่องราวบาดแผลในใจหรือบางคนก็พบความสงบจากความเศร้าโศกได้โห oh. หรืออย่างที่เทะเลทรายอตาการมาในชิลีที่นั่นนี่คือฟ้ามืดและใสที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้อื้อหือ มีโรงแรมเอลคิโดมอสก์ที่ทําห้องพักเป็นโดมเปิดหลังคาได้เลยครับสําหรับดูดาวโดยเฉพาะสุดยอดไปเลยค่ะที่ไอซ์แลนด์ก็มีโฮเทลรังก้ามีหอดูดาวทันสมัยแล้วก็มีกิจกรรมดูดาวพร้อมกับการเจริญสติในอ่างน้ําร้อนพลังงานความร้อนใต้พิภ พ, พด้วยฟังดูดีจังเลยค่ะแล้วมีที่อื่นอีกไหมคะมีที่สกอตแลนด์ครับเคนเกิร e ์มเอ็กซ์เคอร์ชันส์เขาจัดเป็นปาร์ตี้อาบดาวเลยมีเครื่องดื่มมีอาหารท้องถิ่นด้วย เก๋ไปอีกแบบนะคะดังเดิมเลยครับมีทัวร์ดาราศาสตร์ของชาวอบอริจินอย่างงูรังกาทัวร์สหรืออบอริเจนัลสกายดรีมิงครูสเขาจะพาไปฟังเรื่องราวดวงดาวตามตำนานของชนพื้นเมืองซึ่งมันเป็นการเชื่อมโยงกับท้องฟ้าในมิติวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งมากว้าวฟังดูแต่ละที่นี่คือต้องไปในที่ที่ฟ้ามืดสนิทจริงๆเลยใช่ไหมคะถึงจะได้ประสบการณ์เต็มที่แบบนี้ จริงๆแล้วก็ไม่จำเป็นเสมอไปนะครับคุณเวสต์โมเควกเขาก็ย้ำเรื่องนี้อา้าวหรอคะครับเขาบอกว่าแม้แต่เราอยู่ในเมืองที่มีมลภาวะทางแสงเยอะๆเนี่ยเห็นดาวแค่ดวงเดียว2ดวงเราก็ยังสัมผัสประสบการณ์คล้ายๆกันได้ยังไงคะคือลองหยุดมองดาวดวงนั้นจริงๆจังๆสักครู่นะครับ เราลองคิดตามว่าแสงดาวดวงนั้นเนี่ยมันเดินทางมาเป็นร้อยร้อยปีหรืออาจจะพันปีผ่านความเวงว้างว่างเปล่าของอวกาศอันไกลโพ้นเพื่อจะมาถึงดวงตาของเราในวินาทีนี้พอดีโอ้โห oh. แค่ความคิดนี้มันก็ส่งพลังมากพอที่จะทำให้เราเกิดความรู้สึกยำเกรงแล้วก็ได้มุมมองใหม่ๆได้แล้วครับโห oh, จริงด้วยค่ะพอคิดแบบนี้แล้วมันทึ่งมากเลยนะคะไม่เคยนึกเลยครับผม งั้นก็สรุปได้ว่าการอาบดาวเนี่ยมันเป็นวิธีที่ดูเหมือนเรียบง่ายมากๆแต่กลับทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อเลยในการช่วยให้เราพบกับความสงบได้มุมมองที่กว้างขึ้นครับแล้วก็รู้สึกเชื่อมโยงกับอะไรที่มันใหญ่กว่าตัวเองมากๆผ่านความรู้สึกยาเกรงที่ท้องฟ้ายาคำค่ําคืนมอบให้ใช่ครับซึ่งเราทําได้ง่ายๆแม้แต่ในสวนหลังบ้านเราเองถูกต้องครับแค่เงยน้ามองฟ้า แล้วมันก็ทําให้เกิดคําถามชวนคิดต่อไปอีกนะครับว่าคคือนอกเหนือจากประโยชน์ที่แต่ละคนจะได้รับเป็นส่วนตัวแล้วเนี่ยการที่ผู้คนในสังคมเราเริ่มหันกลับมาให้ความสําคัญแล้วก็เชื่อมต่อกับความกว้างใหญ่ไพศาลของท้องฟ้ากลางคืนอีกครั้งมันอาจจะเปลี่ยนมุมมองของสังคมโดยรวมได้หรือเปล่าหมายถึงยังไงคะก็เช่นว่ามันอาจจะทําให้เราเห็นคุณค่าแล้วก็หันมาอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างจริงจังมากขึ้นไหม อย่างการสนับสนุนเรื่องเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดอะไรแบบนี้โออค่ะค่ะหรืออาจจะทำให้เราตระหนักถึงความเป็นมนุษย์ร่วมกันมากขึ้นหรือเปล่าผ่านการรับรู้ว่าเออเราทุกคนบนโลกใบนี้เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนต่างก็อยู่ใต้ฟ้าผืนเดียวกันผืนเดียวกับที่บรรพบุรุษของเราเคยมองมาแล้วนับเป็นพันๆปีนะครับ